สทุติยวัค 1. ปรูปรหารกถาว่าโดยเรื่องที่บุคคลอื่นนําเข้าไปให้307 ส, สกวาทีน้ําอสุจิและการปล่อยน้ําอสุจิของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีราคะกามราคะกามราคะปริยุทธฐานกามราค ะ, ธธาาาคะสังโยชนามูคะกามโยคะ การมันชะนิวรณ์ของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีราคะกามราคะกามราคะปริยุท ธ, ธานกามราคะสังโยชน์กามโมคะกามโยคะการมชัชชะนิวรณ์ของพระอระหันต์ไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีหากปราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชนกามโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรนของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุถุชนมีอยู่และปราคะกามราคะกามราคะปริยุทธาน การมรคะสังโยต์การโมคะกามโยคะกามฉัชชนทนิวรณ์ของปุถุชนนั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่จักกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอระหันต์มีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุท ธ, ธานการมชัชชนทนิวรณ์ของพระอระหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธ <ocking S 1> านกามฉันทนิวรของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุตชนมีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามฉันทนิวร ของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีน้ําอสุจิและการปล่อยน้ําอสุจิของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะเหตุไรประวาทีเพราะว่าพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารนําน้ําอสุจิและการปล่อยน้ําอสุจิเข้าไปให้แก่พระอระหันต์สกวาที พวกเทวดาผูน hm Therm นานน้นับเนื่องใน ห, ห, หมูาา่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกเทวดาผู้นับ hm เ น, นื่องในหมู่มารมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กาวาทีพวกเทวดาผู้นับเ น, นื่องในหมู่มารไม่มีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิใช่ไหม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 ประวาทีใช่สกวาทีเพราะเหตุไประวาทีเพราะจะให้ท่านสงสัยสกวาทีความงสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความงสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีความงใสงสัยในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสง์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 ส ก, สกาสาออวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอระหันต์เป็นผลของอะไรปรวาทีเป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มสกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่ น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของชนเหล่านั้นทั้งหมดมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังกินเดิมเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของชนเหล่านั้นทั้งหมดก็มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที พวกทารกยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอ ส, สุจิของพวกทารกมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพวกบรันดะยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอ ส, ส, สุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกบรนดะมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ถุงน้ําอสุจินั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีอุจจาระปัสสาวะของพระอรหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มและการเคี้ยวลำไส้ใหญ่และกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นที่ตั้งของอุจาระปัสสาวะนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่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 ใช่สกกวาทีอุจจาระและปัสสาวะของพระอระหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิม้มแต่ลำไส้ใหญ่และกระเพาะปัสสาวะของอุจาระปัสสาวะนั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น3ามรสิบส ก, กวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทิพระอรหันต์พึงเสพเมถุนธรรมจะพึงให้เมถุนธรรมเกิดจะพึงอยู่ครอบครองที่นอนซึ่งยัดเยียดด้วยบุตรจะพึงใช้สอยผ้ากาสิกพัตและจุรณจัน์จะพึงทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้จะพึงยินดีทองและเงินใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุุชนมีอยู่และปุตชนจะพึงเสพเมตุนธรรมจะพึงให้เมตุนธรรมเกิดจะพึงยินดีทองและเงินใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันมีอยู่พระอรหันจะพึงเสพเมตุนธรรมจะพึงให้เมถุนธรรมเกิดจะพึงยินดีทองและเงินใช่ไหม ประวาที i i> ไม่ควรกล่วาวอย่างนะั้นสกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่และพระอรหันต์จะไม่พึงเสพเมถุนธรรมจะไม่พึงให้เมถุนธรรมเกิดจะไม่พึงยินดีทองและเงินใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุถุชนมีอยู่และปุถุชนจะไม่พึงเสพเมถุนธรรมจะไม่พึงให้เมตุนธรรมเกิด จะไม่พึงอยู่ครอบครองที่นอนตึ้งยัดเยียดด้วยบุตรจะไม่พึงใช้สอยผ้ากาสิกพัดและจุรณจันจะไม่พึงทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้จะไม่พึงยินดีทองและเงินใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที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 สกวาทีพระอรหันตเจริญมักเพื่อละราคะแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกาวาทีหากพระอรหันตเจริญมักเพื่อละราคะแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันตมีอยู่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระอาหารหันตเจริญสติปทานสมปทานอิทธิบาทอินระระท ร, าารีย์ภละพดชงเพื่อละราคะไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันตเจริญโพดชงเพื่อละราคะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอาหารหันตมีอยู่สกวาที นาำอตุจิและการปล่อยน้ําอตุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เจริญมักจเจริญโพชฌงเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอ น, นตุตตะปะมิใช่หรือปร ว, รวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงเพื่อละอ น, นตุตตะปะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า น้ำอสุจิและการปล่อยน้ําอตุจิของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีน้ำอตุจิและการปล่อยน้ําอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากปราคโทสะโมหะทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วปร่งภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตอนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้ว หลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วถอดปลิ่มสลักกลบคูถอนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยปลดรงคือมารนณะ์วางพาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำให้แจ้งหรือโรธเจริญมากแล้วรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ ละทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วมิใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีหากพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าน้ำอตุจิและการปล่อยน้ำอตุจิของพระอรหันต์มีอยู่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 แต่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะโมหะอนตตะ ป, ปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วแต่น้ำอตุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีอนตุตตะปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วแต่น้ําอตุจิและการปล่อยน้ําอตุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญมักเจริญโพชฌงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอนตุตตะปะ แต่น้ำอสุออ จ, แ จ, แจสิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญโพอดชงเพื่อละอนุตตะปะแต่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากปราฆโทสะโมหะแล้วทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราฆโทสะโมหะแล้ว ทำให้แจ้งทมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่น้ำอตุติและการปล่อยน้ำอตุติของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีราคาพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วน้ำอตุติและการปล่อยน้ำอตุติของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีราคะพระอรหันต th ์ผ uh> ู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วน้ำอจุจิและการปล่อยน้ำอตุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละโทสะโมหะอนุตตปปะได้แล้วน้ำอจุจิและการปล่อยน้ำอจุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีอนตุตตะปะพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมอื่นจเจริญมักจเจริญโพชงเพื่อะละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอ น, นตุตตะปะ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 ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วน้ำอจุจิและการปล่อยน้ำอจุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากปราคะสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้ว น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอระหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น313ส ก, กวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษทุทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นปุถุชนพึงพร้อมด้วยศีลมีสติสัมปชัญญะจำวัดน้ำอตุจิของภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ไหลออกมาน้ำอตุจิแม้ของพวกฤาษีนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในการย่อมไม่ไหลออกมาภิกษุทั้งหลายย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่โอกาสที่น้ำอตุจิของพระอาหารหันต์จะพึงไหลออกมามีอยู่จริงมิเชฟหรือประวาทีใช่ ักวาธีด้วยเหตุนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าน้ำตุจยิและการปล่อยน้ำมัสยิของพระอาหารหันต์มีอยู่ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการที่บุคคลอื่นนำปัจจัยเข้าไปให้แก่พระอาหารหันต์มีอยู่ใช่ไหมักวาธีใช่ ปรวาทีบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนำจีวรบินธบาทเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเพสัชบริการเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนำจีวรบินธบาตเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเพสัชบริการเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้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 สกวาธีบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนำโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลเข้าไปให้แก่พระอรหันได้ใช่ไหมประวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นป ร, รูปาระกถาจบ